อย่างนี้ก็เป็นชวงที่ประชาชนชาวพีหรือทำเลียนไปเยี่ยปราช้ากันในสมัยพระพุทธกาลก็มีทำเนียเยี่ยมปราช้าเหมือนกันสำหรับภาคสืบทั่วไแต่เจตนาลมของการเยี่ยงปราช้าของพระกับของฆราวานี้จะต่างกันค ของพร น, นี้ต้องการไปดูความจริงของร่างกายเพราะสมัยก่อนเวลาคนตายไปเราจะเอาร่างกายไปทิ้ไงไว้ที่ป่าชา้าซากศพโดยที่ไม่ได้ไปฝังแล้วก็จะเห็นสภาพของร่างกายของร่างกายที่ตายไปในในสภาพต่างๆ ต, ตั้งแต่ตายสามวันห้วันเ็ดวัน จะมีสภาพที่เปี่ยนแปลงเปลี่นอื่นของแต่ห ร, รือมีพวกอะไรสัตว์ปั่อยมีสุนัขมีอะไรมากัดมากินร่นางกายแขนขาก็บางทีก็กระจระายไปบนอาทิาทาทตย์ก็มาถ่ายการไปดูผ้ากันเองเป็นการ สองใจได้ให้รูความจริงของร่างกายได้ศึกษาไห้รู้ไห้เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงส่วนประกอบของอันาร32บอเนผลผลเลกฟังหนังเนื้อเอ็นกระดูกและผลิตมาจากดินน้ำลมไปและเมื่อ ร่างกายตายไปหยุดทํา ง, งานก็จะกลับขึ้นสู่สภาพเดิมอยู่สับขึนสู่ดินน้ำลมไฟไม่มีสักว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนคือในร่างกายอยู่ในอาการสาสิบสอยู่ในดินน้ำลมไฟเป็นการให้ใจได้รู้ความจรงว่า ร่างกายที่ใจกําลังครอบกลองอยูน่นี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะจะได้ไม่ยึดติดไม่หล ง, ปป ง, ไ, ไ, หลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเพราะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่หลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะไม่มีความอยากดับของที่ไม่ใช่เป็นของเรา เวลาอะไรเกิดขึ้นกับของที่ไม่ใช่เั็นของเราเราก็จะไม่ทุกไม่เจ็อดร้อนเช่นร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักเราจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อแต่ถ้าเป็นร่างกายของคนที่เรามีความผูกพันมีความยึดติดอยู่เช่นบิดามารดาพี่น้อง บุติดาสามีภรรยาเวลาเกิดเหตุการณ์กับร่างกายของกายใจของเราก็จะทุกข์ไปด้วยแต่ทั้งที่ความทุกข์นี้ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงางได้ความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่อหมือนั้นก็้คือก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกันไม่ดีใรยักยังไม่ดีใจหักห้างได้ ก็นี่คือธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของยินน้ำลมไฟร่างกายของเราก็ได้มาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปน้ำที่เราดื่มอากาศที่เราหายใจเข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปผสมกันก็แปลงไปเป็นอาการ32เป็นผมเช่นผมก็จะยาวออกมาเรื่อยๆถ้าเรามีการรับประทานอาหารอยู่เรื่อยๆ มีการดื่มน้ำมีการหายใจอยู่เรื่อยร่า ง, งกายก็จะผลิตผมให้ยาวออกไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารไม่ดื่มน้าไม่ได้หายใจผมก็จะไม่มีที่จะยาวออกมาได้มีแต่จะเสื่อมแยหยุดออกไปจากร่างกายเพราะร่างกายเมื่อไม่มี ถ้าสีมามาครอบประการมาหล่อเลี่ยงมันก็จะต้องแยกทางออกจากกัเรา่างกายหยุดหายใจเพราะนั้นสภาพของร่างกายก็จะเสื่อมลงทันริเสื่อมงอย่างรวดเร็วแต่ในเวลาไม่กี่นานก็จะเป็นเหมือนกับไม่ไคยเห็นมาก่อนนี่คือการไปเงี่ยมป่าช้า ในสมัยพระพุทธกาลพระพุทธชจ้า ส, สรงสอนให้ก้พวไปสู่ไปรเยี่ยมป่าชากันเพื่อจะได้ตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเพื่อจะได้ตัดความอยากในร่างกายความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนีอความอยากในกาบมมาล ที่ร่างกายว่าตอนั้นร่างกายที่สวยงามถ้าไปเห็นสภาพของร่างกายที่ตายไแล้วก็จะไม่เกิดความขึ้นนนในสมัยพระพจ้ามีพระภิกุมีรูปหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการโอดี มีสเภณีนางหนึางได้เสียชีวิตไปแต่เป็นมิตมีชื่อเสียงว่าสง่างเป็นผุ้คนที่สง่างามแต่ตายนปก็เลยจะเอาเลยให้พระที่สุดนี้ไปพิจารณาดูศพของโสเภนีคนนี้เราได้ไปพิจารณาใจของท่านก็บรรลุยุดดังรับบางอย่างในการมาลงได้ไม่มีการมาลงต่อัน เพราะในครั้งที่จะเห็นรูปร่างหน้าตาที่สวยงามก็จะนั่นถึงรูปร่างของโสกดีที่ตายไปก็จะมาลบร่างดับการมาลงได้ารมาบงนี้เกิดจากการที่เรามองเห็นภาพเป็นรูปที่สวยงามนี่ถ้าเราต้องการที่จะดับการมลาลงเราก็ต้องเป็นอาสุภาเป็นรูปภาพที่ไม่สวยงามอยู่ไม่เื่ ให้ติดตาติดใจพะถ้าติดตาติดใจแล้วเวลาเกิดการมาลงเพียงแต่นึกถึงภาพที่ไม่สวยงามเทนั้นการมาลงก็จะหัดไปผู้ที่จะทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเห็นโทษของการมาลงแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เห็นโทษนี้ก็คงจะไม่อยากจะเห็นภาพที่ไม่สวยงามอันนี้ก็เึ็นอยู่กับระดับ สติปัญญาของแต่ระบุคคลบุคคลที่เห็นว่าการอารมณ์นี้จะโทษมากกว่าเป็นคุณก็จะต้องพยายามหาวิธีกำจัดการอารมณ์ให้หมดไปให้ได้เพราะถ้าไม่มีการอารมณ์แล้วก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้อยู่ตามลงค์ธรรได้ไม่ต้องมาหาคู่กองไม่ต้องมาวิตกตัง้งตน ตัวใหญดูแลผู้ปกครองนะครัไม่ต้องมาพุกนั่นเองเพราะว่าถ้ามีผู้ปกครองก็จะต้องมีความรับความผูกพันความอยากให้ผู้ปกครองของตนดีสวยงามแล้วก็อยู่กับตกไปนานๆมีความซึง่งสัตย์กับตนแต่ถ้าไม่ได้เป็นไปตามความอยา กาจะเกิดคามเสียใจเกิดความทุกใจขึ้นมาเป็น่างมากยังมีเรื่องในสมัยอายุ20ปูุมั่งมีอาจารย์รูปนหนึ่งรูปนสุดของรู่นปู่มั่งกที่ท่านจะออกบวชท่านก็มีภรรยาแล้วก็ท่านเข้าไปพบกับภรยาท่านใจแอบมีชู้หลังที่ท่านฆ่าเขาตอนนั้นท่านหน้ามูด ท่นคิดว่าอยากจะฆ่าชูราภัยยาแต่พอดีท่านได้สติ ก, ก็คิดว่าการที่ไปฆ่าเขานี้ทำให้ตนเองนั้นเลวกว่าการมีชีวิตท่า น, นจึงเยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของขอ ง, ของชีวิตของคนว่าคนดาวนี้ไม่มีอะไรที่แท้แน่นอน จิตใจของคนนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เสมอวันนี้เขาอาจจะรักเราพวกนี้เขาอาจจะไม่รักเราก็ได้วันนี้ก็อาจจะอยู่กับเราพวกนี้ก็อาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้ท่านั้นก็เลยยองได้ยอมรับความจริงว่าการมีคูกครอนี้เป็นความทุกข์อย่างมากทุกนึกทั้งในขณนะที่อยู่ด้วยกันเพราะถ้ารักกันมากกโอบกัน กลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เราคนระับถ้าได้รักกันก็จะทะลาะบอกไว้ันมีเรื่องมีราวกันอยู่เรืยถ้าไม่ช่วสัตว์ต่อกันก็จะทําให้เสียอกเสียใจยท่านก็นเลยตัดสินใจออกบวชน้อไปอยู่แบบพระมีฝ่าไปอยู่แบบไม่ต้องมีคู่ครองท่านก็นเลยประกาศบอก ให้ชาวบ้านไทราบว่าท่านเลิกกับภรรยาของท่านแล้วท่านยินดียกใหงกับแารใหม่ของภรรยาท่านไปส่วนตัวท่านก็จะออกบวชศึกษาหาพระอาจารย์เลื่นขั้ไปจนในที่สุดได้ไปศึกศาษาปฏิษัติธรกับพาอาจารย์เลื่นและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กระผมจะทราบก็คือ พระอาจารย์นลวงปู่ขาเนี่ยเประวัติของท่านที่พระอาจารย์หลวงตาม า, าบัวท่านเขียนไว้ก็โดยคร่าวๆ ก, ก, ก, ก็เป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องของโทษสองการมาเลยโทษที่ยังมีกามาลงศลก็จะต้องหาผู้กองมะหาผู้กรองแล้วก็จะต้องมาพูดกับการดูแลรักษาผู้กองของตนเพราะฉะอยากจะให้ผู้กรองของตนนั้น อยู่กับตรไสานาให้ความสุขกับตรไสนานาแต่ถ้าผู้คลอง น, นั้นตายจากใจไม่เกไปความสุสที่ได้กต็ตายไปสุขตายสุขไปสวรรที่ได้ก็แตกลายไปหไปและถ้าไม่มีจิตใจที่เข้มแขงไม่มีธรรมะสติปัญญาองก็อาจจะต้องไปทบาปที่ร้ายแรงต่อไปจัก ต้องไปบอกเขว่ไม่เนื่องจากความโกงแท่ความเสียใจนี่คือเรื่องของร้างกายของเราที่มีทั้งคุณนก็มีทั้งคท่ปุณนน้นมีน้อยมากเมื่อเสียเทองทด้ร่างกายของเราเราก็เอาหายใ้เป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกมืการ ช่วงนี้ที่เราสึกเพราะว่าเราดีร่างกายให้เราได้เสกดูเสียงกลิ่นรสสผัสอะไรเนีมันเป็นการสุดที่ชั่วคราวเวลาได้เสจได้สัมผัสก็มีความสุกแต่พอหางไปแล้วก็หายจางหายเฉยจึงจำให้ต้องคอยเสกอยู่เรื่อยให้เราอยหาดูเสียงกลิ่นรสมสึอยู่เรื่อย ต้องจับงานเลี้ยงอยู่เรื่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความสุดที่แท้จริงไม่ได้เป็นความสุดที่ถ่ายาและเวลาใดที่ไม่ได้เสียเวลานั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเหวื่ยงเศรสอยเหมือนกัน ย, อยามเวลาที่ร่างกายเกิดการเสื่อมขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าจะไม่สามารถให้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขได้อีกมากไปนี่คือโทษของการอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่เนื่องจากใจของผู้ที่ยังต้องหารร่างกายมาเป็นเครื่องมืออยู่นี้ขาดสติปัญญาที่จะเห็นโทษของการอาศัยร่างกายนี้ก็ยัง ก็จึงทำให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตางเกิดหลายหลายรอบหลายครั้งโดยนับไม่ช่วนจนกว่าจะได้พบกับนักปราชเช่นพระพุทเจ้าผู้ที่เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษของร่างกายและเห็นทางที่จะทำให้ปล่อยวางร่างกายได้เห็น เห็สิ่งที่มีคุณค่ากว่าร่างกายก็คือใจเห็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้รับจากร่างกายก็คือความสงบของใจถ้าได้พบกับพระเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายแล้วเราก็จะได้รับคําสอนที่จะสอนให้เราออกจากการรมกัน แล้วออกจากการก็คือให้เรายึดติดการหาก า, าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ถาวรไม่ยีนังเวลาแข็งแรงก็ใช้ต่างๆาําำสั่งทําการคว า, ามต้องการได้แต่เวลาที่ร่างกายเสื่อมหรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้เวลานั้นจิตใจจะทุกระหลาดมากถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไป เป็นคนที่ไม่สามารถใช้ร่างกายทำอะไได้หรือคนพิการเป็น อ, อัมโมเพอัมโมค่าไม่สามารถใช้ท่างกายพาไปเที่ยวการสถานที่ต่างๆได้ก็จะมีความหดหนิดงลงหายใจมีอารมณ์ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายไปนี่คือโทษของการที่เราไปยึดติด ร่างกายเพราะว่าเรามีการละมุนนั่นเองถ้าเราไม่มีการละมุนไม่มีการวัดปัญหาเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายถ้าเราไม่มีเราไม่อยากดูไม่ได้อยากฟังไม่ได้อยากนิ่งดมกริบไม่อยากจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆการมีร่างกายก็ไม่ได้ได้ผลามจําเป็นอย่างนั้น ถาเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่จะทําให้เราหุดพ้นจากการยึดติดกับร่างกายุดพ้นจากการละโ ม, มนได้เพราะพระพุทธศาสนาจะสอนว่ามีความสุขที่ใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากาาการใช้ร่างกายอีเรื่องหนึ่ ความสุขที่ยิ่งใ่กว่าก็คือความสงบของใจงนี่<ม>นักติสัมติประลงสุขไม่มีสุขอะไในโลกนี้จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะไม่ได้รู้จักกันถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาและจะไม่รู้จักวิธีที่จะ ทำให้เราได้พบกับความสุขอันนี้และรักษาความสุขอันนี้ไว้อยู่กับเราไปตลอดอนาปกาเพราะใจของเรานี้ไม่ตายความสุขที่อยู่ในจางนี้ก็ไม่เสื่อมไปกับการเสื่อมของร่างกาย ร, ร่างกายนี้ต้องเสื่อมไปแต่เมื่อความสุขของเราไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขของเรา ที่ได้จากความสงบของใจ ก, ก็ไม่ได้เสียไปกับร่างกายเวลาร่างกายบกสงบสะท้าพไม่สามารถทํร้าอะไรได้ใจก็ยังมีความสุขใจเช่นล่าจาร์ขาวมไม่ใช่พระหลวงปู่ชอบท่านก็ต้องนั่งรถเข็นท่านเจอการนมาฆ่าแต่ท่านมีแต่ความยินน้มแย้มจับใจเอรใจของท่านไม่ได้ ไม่ได้ขาดความสุขเพราะไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องหนีาความสุขท่าใชา้ธรรมะให้ความสุขก่ใจธรรมะที่จะทําให้ใจมีความสงบนั้นก็คือสติแต่ก่อนที่เราจะสร้างสติขึ้นมาได้เราก็ต้องมีสีนิ่งก่อนที่เราจะมีศีนได้เราก็ต้องผ่อ ผู้ที่ยังทำทำ่า่ายได้แสดงว่ายังมีความโลภมีความอยากได้เงอนทองยังเสียดายยังหวงรับสม บ, บัตข้าของข อ, อ, องใรก็จะเป็นผู้ที่จะรักษาศิ่งนั่นได้เวลามีความอยากจะได้ทัพอะไรมาก็อยากจะได้มาแบบวิธีง่ายๆวิธีง่ายก็คือวิธีไม่รักษาสีนั่นเอง เป็นพ่อค้าในครั้งนี้มักจะบอกไปเสมอว่ารักษาสินยากเหลือเกินเพราะพูดความจริงไม่ได้ต้องพูดโกหกกันถ้าพูดความจริงแล้วกลัวว่าจะขายของไม่ได้คนจะไม่ซื้ออันนี้เป็นการแทรกใจจิดคนที่เขา ท, ทาบุญทำกานอยู่อย่างสม่ำเสมอเขาจะไม่รู้สึกว่าการทามาหากินกับการรักษาสินมีขาดแคลนกันอย่างใดเพาะของไม่ได้ เดียบร้อยว่าเขาจะได้รากไม่ได้น้เขาคือหลักความจุดเร้าคือการมีสิ่งเป็นหลักเขามีอะไรจะพูดก็พูดในทางความจริงจริหรือว่าถ้าความจริงพูดไม่ได้ก็ไม่พูดเสียดีกว่าก็ทํานั่นเองส่วนคนจะซื้อของหรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องของคำไม่ได้เดียบร้อยเพื่อาจจะไม่ได้ขายดีขายดี แต่ก็พอที่จะได้มีรายได้มาพอจยืนเจือชีวิตอัขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องต้องการเท่านั้นแคคือมีทรัพย์ไว้สําหรั บ, รบเยืนเจือชีวิตอัขภาพแต่ไม่น่าอยากจะมีทรัพย์แบบมากมายไกยกองเพื่อจะได้ไปอวดกันกับชาวบ้านทั้งหลายว่าเราล้าเรารวยเรายิ่งเรายหญ่ถ้ามีถ้าไม่ได้เก็บไว้ก็จะเอาไปทำเงนิทงนทำใจ การทำบุญ น, นี้ก็จะทําให้จิตใจมีความอิ่มเอิบมีความสุขใจแล้วก็จะทําให้มีความเมตตาสัมมาทําให้ไม่ต้องทำงานทำซ้ทำทาให้มีเวลามาจเจริญมสติได้มาปฏิบัติเจริญสมาธิได้เพราะไม่จําเป็นจะต้องทํางานาาถามลูกถามข้ามําพอประมาณทาพอได้ ปัจจัยสี่มาจุนเจืออัตภาพชีวิตก็พอแล้วอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาสร้างความสุดที่เงินทองไม่สามารถซื้อให้ได้ดีกว่าแต่ให้เป็นมหาเศรษฐีระดับแสนล้านก็จะไม่ได้พบกับความสุดที่ได้จากการทํใาจาให้สมบูรณ์เพราะจะไม่มีเวลามาาจะเลิสสุด เพราะว่าการจเจริญสตินี้จะต้องอยู่ในสถานที่่ักใจจากเรื่องราวต่างๆจากสหตุการณ์ต่างๆเพราะถ้ายังต้องอยู่ในเอกการ์เช่นการสมาธิจิตใจก็จะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่อ ง, าางก า, ารก ส, าสมาธิจิตเรื่องปัญหาต่างๆ ก, การแก้ปัญหาต่างๆอยู่ตลอดเวลาก็าจะไม่มีเวลาที่จะมาหยุดความคิดตงึงตึงได้ ถาหยุดความคิดตรงต่างไม่ไนะก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้เมื่อใจไม่สงบก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่จากการทำใจให้สงบได้เมื่อไม่มีความสงบไม่มีความสุขก็เลยต้องอาศัยความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองซื้อแต่ก็เป็นความสุขที่เป็นโทษเพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราว น่าเป็นความสุทที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆแต่เท่าไหก็ไม่อิ่มไม่พอและพอถึงเวลาที่ไม่สามารถที่จะเติมได้เวลานั้นก็จะมีแต่ค ว, ว, วามเศร้าสร้อยหน่อยอแต่ความย้าเวรมอแต่ความทุกข์ใจนีคือเรื่องที่เราควนที่จะทำเองมีคือวิธีการที่พระเจ้าสงสอนให้พวกเรา มาสร้างมาหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในใจของเราแต่เราต้องหาเวลามาสร้างเราต้องมีหวังว่าบ้า ง, างเพื่อเราจะได้ห่าดไกลอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากเหตุการณต่างๆเพื่อเราจะได้มาควบคุมความคิดของเราให้สงบให้มิ่งให้ได้ เช่นการใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธใจอย่างต่อเนื่องเราก็จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เพราะใจจะชิ่มช้านะคือเรื่องถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธเราก็จะไม่สามารถจะคิดถึงคนน้นคนนี้เรื่องนั้นเรงนี้ได้ถ้าเราอยู่กับพุทโธอารมณ์ต่างๆก็จะสงบตลงความคิดต่างๆก็จะเบาลงบ้าง ในที่สุดก็จะสงบในที่สุดนี่คือการสร้างความสุขที่จะมาทดแทนความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอเราได้รับความสุขที่โดยที่ไม่ต้องใช้ร่ากายแล้วเราก็สามารถปล่อยวางร่ากายไนดะ้เราก็ไม่เดือดร้อยกับความแจ็บความเจ็บความตายของร่างกาย เพราะว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนกับถ้าเราไม่ต้องใช้รถยนต์เราก็ไม่ต้องมากังวลกับการดูแลรักษารถยนต์หรือคอยซื้อรถยนต์คันใหม่มาทดแทนคันเก่าเพราะเราไม่ได้ออกจากบ้านเราไม่ต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านในเมื่อในในบ้านเรามีความสุขที่ดีกว่าที่ยิ่งใหญ่กว่าเราจะไปออกออกไปหาความสุขที่เร็วกว่าส เราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้รถยนต์พาเราไปทางสถานที่ต่างๆรถยนต์ก็ไม่มีความหมายสาหรับเราต่อไปร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขทางการสูญฉมุกมินกายนี้แต่เมื่อเรามีความสุขที่ดีกว่าที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็ไม่จับจ้องจับ การเสื่อมของร่างกายร่างกายจะเสื่อเมื่อไหร่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไรกระตายไปเมื่อเราจะไม่เดือดร้อก็เราไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือติดต่อใสมีจิตใจของที่ๆดูดออกจากการอารมณ์ดูดออกจากความหลงที่ไปยึดไปติดกับร่างกายที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเป็น เป็นตัวที่จะให้สาความสุขให้กับเราตอนนี้เราพบความจริงแล้วว่าความจุดความความสุขที่แท้จริงนี้ไม่ต้องมีรางกาไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยา น, นักบูชทั้งหลายถ้าเป็ อ, อยู่คนเดียวในป่าได้อย่างมีความสุขเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์หลังจากเสด็จ อ, ออกจากพระราชวันแล้ว ก็ไม่เคยหวนกลับคืนสู่พระยาชันันเพื่อพระบาไฮศีอีกต่อเพราะพระองค์ทงเห็นทรงได้พบความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ไม่ถูกโทษไม่มีความทุกข์ตามมานี่แหะคือเรื่องของที่พระพุทธศาสนาจางมอบให้แก่พวกเราจะช่วยให้พวกเราได้หลุดออกจากพุ่งของมาน ก, ก็คือความหน่ง ที่หลอกให้เราไปหลงหาความสุขผ่าชทาร่างกายมีพระพุธทธเจ้านี่แหละที่เป็นผู้ที่เห็นทางเห็นความจริงเห็นวิธีที่จะทําให้พวกเราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็เลยต้องไปเยี่ยมป่าชาติก็เพื่อสาเอกอย่างนี้เราต้องพิางจารณาร่างกายเพราะเพื่อสาเอตอย่างนี้เพราะถ้าเราไม่พิจารณา เราก็ยังจะหลงติดอยู่กับร่างกายเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา <c oughs> เห็นว่าร่างกายสวยงามก็เราก็อยากจะได้ร่างกายม้มาให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราได้พิจารณาได้จะเยี่ยมผ่าเ้าบาไปเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายว่าที่แท้จริงนั้นไม่สวยงามเลยมีอาการ32ที่จะต้องเสีย ที่จะต้องแล้วต้องสูงตัเนเราก็จะได้มีเครื่องมือมาแก้คลางลงทุกครั้งที่เราเห็นว่าของร่างกายที่สูงงามเราก็จะคิดถึงร่างกายที่เราไปพบไปเห็นในป่าชานี่คือวิธีที่จะทำให้เราดุดพ้นจากอุ้งของการอารมณ์ ของความหยุดที่ไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเราจะได้ไม่ต้องทุกกับร่างกายต่อไปแนะไม่ต้องกลับมาเวียนร่าการเกิดมาหาร่างกายอันใหม่มาแครมาเากิดมาตายอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเรายังไม่สามารถเห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นตัวจิงน้ำมูลไฟา ไม่สวยไม่งามถ้าเรายังไม่สามารถดับการมาลงได้เราตายไปกี่รอบเราก็ต้องกลับมาหารน้ากายมาว่าเรายังผิวกบบด้วยสิ่งสิ่งลดวดัตว์อีกเราก็ต้องมีตามหูสมุนกินการเป็นเครื่องดื่มอย่างถ้าเราไม่ผิวแล้วเราเหน่อแล้วเห็นเห็นความไม่สวยงามของหน้ากายนะเห็นสภาว์ ความจริงของร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟสักวันหนึ่งก็จะต้องแต่ต้องเจ็บต้องตายัเพราะร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราถ้ามีปัญญาพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อง mm. ก็จะสามารถาารักษาความสงบที่ได้จากการนั่นสมาธิไว้ต่อไปไนดะ้เพราะใจจะไม่มีความอยากที่เป็นตัวที่จะทาให้แก ความไม่สงบขึ้นมานั่นเองนี่คือหน้าที่ของปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าอยากจะรักษาความสงบต่อไป <c oughs> ก็ต้องใช้ปัญญาเพราะถ้าไม่ใช้ปัญญาพอเห็นร่างกายก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิด <c oughs> ความไม่สงบขึ้นมาเกิดความวิตกกงังวลกิดความคล้ายขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญามาสกับไว้เวลาเห็นภาพสวยก็เห็นภาพที่ไม่สวย ความไขก็จะระงับระบบตัวลงไปเวลาเกิดความว่ตกกันงวลกับความแก่ความเจ็บความตายพอเห็นความจริงของร่างกายว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ชาใช่ไปก็ก็ยอมรับความจริงทางใจได้ได้ปล่อยวางร่างกายไปยิ่งจะรู้ว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้าหล่นไปเราเป็นเพียงผู้ที่มาอาศัยอยู่เชื่อฟังเสมอเราก็ได้เป็นร่างกาย เราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการแก่การจิตการตายของร่านการเป็นอย่างปัญญานี้จะทำให้เรารักษาความสงบได้อย่างถาอกถ้าเรายังไม่ได้ปัญญาเราได้เพียงขั้นสมาธิก็เราออกจากสมาธิมาไม่นานความสงบก็จะจางหายไปเหมือนกับน้าเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็จะเย็น อยากจะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะหายอยู่ถ้าเราอยากจะให้มันเยหนึ่งเราก็ต้องเอากลับเข้าไปในทุเอียนใหม่อย่าง้ดผู้ที่เจริญได้แต่สมาธิอย่างเจริญปัญญาไม่ได้พอเวลาจิตหายจากควาสมสงบแล้วก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่ถึงจะถึงจะรักษาความสงกได้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้เขาเขเรียกว่าเป็นการติดสมาธิไม่ติดอยู่ในขั้นสมาธิ ไม่สามารถกล้าขึ้นสูงขั้นสูงกว่า น, นั้นได้ถ้าอยากจะก้าขึ้นสูงกว่านั้นก็ต้องใช้ต้องรู้จักการเจริญปัญญาต้องรู้จักการพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาร่างกายไม่เพี่ยงปวดแสบเจิบตาร่างกายเนอัตตาก็า ค, านนาาาคือเป็นเพียงน้ำมันหมองไปเป็นอาการ32ร่างกายไม่สวยไม่งามให้พิจารณาอย่างนี้ไป แล้วต่อไปใจจะไม่ต้องเข้าไปในสมาธิถ้าปล่อยวางร่างกายไปแล้วใจะจะสงบตลอดเวลาไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะว่าไม่มีตัวที่จะมาทำให้ใจปัดปวดไม่สมดุลนี่คือ ข, ขั้นสัวนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าปฏิบัติถ้าไม่มีอาจารย์สอนก็จะติดอยู่ที่ทั้นสมาธิกันเป็สนส่วนใหญ่พอเวลาจิตสงบ ก, ก็มีความสุข ออกมาแล้วก็ออกไป ท, ทําธุระปรับฟังอะไรต่างๆพอใจวุ่นวายก็กลับมานั่งสมาธิมาไม่เคยคิดถึงเรื่องของการเจริญปัญญาไม่รู้ว่าการเจริญปัญญานั้นทําอย่างไรทำเมื่ อ, อไรบางคนก็คิดว่าพอจิตสงบแล้วต้องเจริญปัญญาทาันิงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เวลาสงบเราไม่ต้องการให้จิตัำอะไรต้องเวลาสงบนี่เหมือนเวลาทักผ่อของจิตเหมือนเวลาที่เราพับของนอนหลับของร่างกาย ตอนนั้นเราไม่ต้องการให้ร่างกายทาันเาต้องการให้ร่างกายนอนให้เต็มที่พอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วถึงค่อยเอาออกไปทางานต่อได้เวลาจิตเวลาที่สงบตอนนั้นก็ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาเป็นเวลาที่ให้จิตพักให้มีความสงบเต็มที่แรงพลังให้เต็มที่พอออกมาแล้วถึงเป็นถึงจะเป็นเวลาที่จะให้จิตพิจารณาทางปัญญา ถ้าไม่พิจรารณาเดี๋ยไม่นานจิตก็จะหายจากความสงบก็จะไม่สามารถพิจรารณาได้ะกิเลสจะเริ่มออกมาเพ่นพและไม่อยอมรับความจริงจะไม่อยากจะดูความจริงไม่มีใครอยากจะดูภาพที่ไม่สวยไม่งามไม่มีใครอยากจะคิดถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่ากิเลสมาคอยคอยชุดลาให้ไปคิดเรื่องอื่น ใหค้คิดแต่เรื่องสวยสวยงามให้คิดแต่เรื่องเจริญไม่ให้คิดถึงเรื่องเสื่อมนั่นเอเราเลยลืมความจริงไปคิดว่าร่างกายเราจ ะ, จะเจริญไปอยู่เรื่อยๆลืมความเสของร่างกายคิดว่าร่างกายนี้สวยงามไปอยู่เรื่อยๆไม่ลองเห็นส่วนที่ไม่สวยงามก็เลยติดอยู่กับร่างกายเติดกับอารมณ์ติดกั บ, กบความหลง ที่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเงาของใหญ่ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจ ะ, จะเจริญถึงขั้นสูงสุดเราก็ต้องเวลาออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องพิจารณาร่างกายเป็นจิดเริ่มต้นหรือถ้าเรายังติดอยู่กับเรื่องอืงองนง่นเช่นลาบยศสารเสียงสมบัติข้าวของเอ ง, องินทองเราก็ต้องพิจารณาสิ่งเห น, นั้นก่อนว่าสิ่งเห น, นั้นก็ไม่เชี่ยเหมือนกันมีเจริญมีเสื่อ มีซักก็เสริมซักได้มียศก็กเสริมยศได้มีสรรเสริมก็มีมนงทางได้มีสุขก็มีทุกขขได้พิจารณาเพื่อเราจะได้ปล่อยวางไม่ไปยึดติดกับร่าเงเย็ดสรรเสริมไม่จะยึดติดกับความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกพอเราปล่อยสิ่งหา น, นั้นได้แล้วเราถึงได้มาพิจารณาร่างกายปอัพิจารณาความได้สวยงามเพื่อบักทางอารมณ์ พิจความไม่เที่ยงว่าเกิดแก่จบตายพิจาณาความว่าไม่ร้ตัวตนก็ให้เห็นว่าเป็นเพอาการสาองัมาทามาจากน้ำลงไันี่คือการพิจารณาการเพื่อละสกายพิจิตรเพื่อละการละค น, นี่คือท่านของพระอริยบุคคลสาทนแรกคือท่านโสดาบาันท่านาานสกิฎาธามีท่านอนาามี ท่าจะต้องผ่านร่างกายไอให้ได้ก่นอนพอปล่อยวางนี้ปัญายักผิดๆขั้นปล่อยวางการบาราค่ะพอปล่อยได้แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีทีนี้ก็จะเหลือแต่จิตเด็กจิเล็เลชนิดละเอียดที่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ภายในใจก็คือมามนะผ่านสิ่งตัวอวิชชาคือไม่เห็นอริยสัจสี่ที่ละเอียดที่ยังมีอยู่ภายใน ใ, นใจ อันนี้เป็นหน้าที่สองพระอนาคามีที่จะต้องเจริญต้องเจริญปัญญาตาอไปให้เห็นว่าไม่มีมานะไม่มีตัวตนมานะก็คิดการถึงตัวนี้เป็นเป็นความหลงของจิตฉะนั้นเองตัวตนแท้จริงไม่มีตัวจิตไม่ใช่ตัวตนตัวจิตก็คือตัวรู้เท่านั้นเองให้เป็นให้ให้จิตเป็นสักว์แต่รู้สัตว์แต่ว่ารู้ไม่ให้ ไม่ให้สักเ้าไม่ให้คิดว่าเป็นตัวตนตนไม่ให้คิดว่าเป็นเราแต่ความคิดเป็นเรานี้มันยังมีอยู่ต้องได้ปัญญามาให้รู้กันว่าเป็นเพียงความคิดคามจริงแล้วไม่มีตัวตนไม่แต่ตัวรู้หน้าที่ของตัวรู้ก็คือให้รู้เฉยเฉยให้สักแตเรา